พระโสดพิตะนั้นเป็นเอตทักฆะในเรื่องการระลึกชาติมันก็ระลึกระลึกไปเรื่อยๆระลึกได้เยอะมากเลยเมื่อระลึกไปเนี่ยอดีตท่านเคยเป็นอสัญญาสัตว์อยู่ห้าร้อยกัปพอระลึกไปถึงอสัญญสัตว์ท่านก็ระลึกไปได้เป็นกลัปๆไปแล้วเอ๊ะทําไมมันยังศูนย์อยู่เหมือนกับศูนย์อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าบอกระลึกต่อระลึกต่อระลึกต่อแล้วท่านระลึกทะลุห้าร้อยกัปนั้นออกไปห้าร้อยกัปที่ไม่มีจิตเจตสิกนั้นแล้วระลึกถอยต่อไปอีกได้ อันนี้พระโสดพิตะจึงเป็นเอตทักคะในเรื่องการระลึกชาติเพราะไอการระลึกชาติเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิได้อย่างบางพวกเนี่ยระลึกถึงไปถึงอสัญญาสัตว์ที่มันไม่มีจิตเจตสิกก็เหมือนว่าสัตว์พึ่งผุดขึ้นพึ่งอุบัติขึ้นจากไม่มีเลยนะศูนย์ศูแล้วมามีขึ้นเขาเรียกว่าอทิจจะสมุปปณะทิฐิถ้าสําหรับผู้ที่ไม่ศึกษาคําสอนให้ดีๆเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นอธิจจะสมุปปณะทิฐิขณะระลึกชาติได้ พอะระลึกได้สมมติว่าเมื่อเมือม่อล้านชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอสัญญาสัตว์พอระลึกไปถึงประมาณล้านชาติไปแล้วหลังจากนั้นไปก็ระลึกอะไรไม่ได้แล้วก็บอกโอ้ยสัตว์ทีพวกเรานะเพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อล้านล้านชาติที่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้นี่กลุ่มหนึ่งไอ้พวกพวกนักเดาก็มีพวกนักเดา ก, ก, ก, ดาก็เอา้าชาติที่แล้วจําได้ไหมล่ะเมื่อชาติที่แล้วจําไม่ได้มันก็ต้องไม่มีเมื่อไม่มีเราพวกเราก็เพิ่งเกิด พวกเราก็เพิ่งมีพวกนี้พวกนี้ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอะไรทั้งนั้นกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอธิจะสมุปปนาทิฐินั่นเองแต่ว่าสำหรับพระสาวกข้้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอเยตนะเข้าใจกรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัตรู้เห็นความเป็นไปแห่งจุติและปฏิสนธิพวกนี้จะระลึกชาติรู้กรรมรู้ผลของกรรมความ เชื่อมโยงพว้นี้จะไม่เป็นมิจฉาทิฐิเนะเพราะอยู่บนพื้นฐานของยะถาภูตยานทัศนะเพื่อสัจจานุโลมิกยาย น, นะนะผนี้จึงรู้วัตตะรูะ้วัตตะรู้นิวัตตะรู้ปวัตตะรู้อัปปวัตตะรู้ความเป็นไปแห่งสังสารวัตรรู้ความดับแห่งสังสารวัตรเนี่นะพันธะาสาวกทั้งหลายนั้นท่านก็ระลึกชาติได้แต่ก็อยู่ในวิสัยของท่าน โดยทั่วไปโดยมากระลึกได้ประมาณแสนกลับเนี่ยนะระลึกได้แสนกับโอ้แสนกับนี่ก็เก่งแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยขนาดว่าอ่านประไตรปิฎกอ่านแล้ววางแล้วก็ลืมเลยแม่งอ่านหน้าแค่ว่าไม่ต้องไปแสนกลับอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยอ่านหน้าหลังไอ้หน้าก่อนเนี่ยลืมไปหมดแล้วรู้มั้ว่าอะไรบ้างไม่ทราบจําไม่ได้แล้วพันจะว่าระลึกชาติอะไรเลยเนี่ยนะ ตกปากรับคําใครก็ไมก็ลืมเลยนะพูดเสร็จอีตอนนั่งนึกได้ลุกแล้วก็ลุกเลยอย่างเงี้ยนะลืมไปหมดเลยเนะีย่ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลทั่ ว, วไปร ะ, ะลึกอะไรไม่ค่อยได้ทรงจําอะไรไม่ค่อยได้เพราะสติเนี่ยนะตรงเนี้ยการระลึกชาติได้ก็คือหวนระลึกได้ท่านเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการระลึกชาติก็เหมือนอย่างว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะไปธุระที่อื่น นะเตือนเช้ามาแล้วออกไปทุระที่อื่นทาไปทุระทั้งวันตกตอนเย็นมาก็มานั่งที่ว่าแล้วก็ระลึกทบทวนดูว่าตัวเองไปที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนไปพูดไปทำอะไรคนที่ระลึกชาติมันจะคลา ย, ลายแบบนั้นเรียกว่าเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดที่ที่ตัวเองผ่านมาเนี่ยนะนะนั่นแหละเรียกว่าลักษณะการระลึกชาติได้ไม่ใช่เหมือนกันนั่งดูทีวีนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเหมือ น, นเปิดวิดีโอดูว่าเออเหตุการณ์ภาพ เป็นภาพเป็นสีเป็นเสียงอ่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าระลึกได้ทรงจําไว้ได้ไม่เบลอไม่เลอะไม่เลือนนั่นเองเรียกว่าระลึกชาติได้สําหรับพระอัครส า, าวกทั้งสองพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าท่านตรวจดูจุติและปฏิสนธิแล้วระลึกชาติได้นะท่านสํารวจว่าเมื่อจุติจากจุดนั้นเนี่ยปฏิสนธิต่อที่ไหนแล้วเชื่อมโยงอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านไข้ครวญโดยจุติและปฏิสนธิเรียกว่าเริ่ม สมมติว่าท่านทะลึกข้ามชาติได้แต่ว่าแต่ละชาติต้องเปิดมวลอตอนตอน้นคือเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิณชาตินั้นเช่นว่าเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยท่านปฏิสนธิเป็นอะไรแล้วจากปฏิสนธิไปจนถึงจุติมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคือว่าต้องเริ่มจากปฏิสนธิไปหาจุติคือว่าจะต้องแบบเหมือนว่าอะไรนะมันล่วงเอาแต่เฉพาะรายละเอียดไม่ได้ นะมันจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะนะจะต้องเริ่มต้นค่อยๆฟังมาเรื่อยๆอะ่ะเหมือนอะไรเหมือนว่าคิดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยพวกที่เปิด m อเนี่ยนะโดยธรรมดาโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าแท็กสักส0นาทีเนี่ยนะเราจะล้วงเอาฟังแค่นาทีที่ยี่สิบไม่ได้จะต้องฟังตั้งแต่นาทีที่หนึ่งสองสามสี่ไล่จริงๆอะอยากรู้แค่นาทีที่2ี่สิเท่านั้นแหะแต่จะต้อง เปิดตั้งแต่นาทีที่หนึ่งไปจนถึงนาทีที่20จึงจะรู้ว่าไอ้นาทีที่ยี่สมามันคืออะไรล้วงล้วงเอาเฉพาะตรงจุดไม่ได้หรือเหมือนหนังสือเนี่ยนะสมมติถ้าเราอยากจะรู้แค่หน้า30มท่านั้นแหละจะต้องเปิดตั้งแต่หน้าหนึ่งอ่านแต่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสหน้าสีหน้าหจนถึงหน้า30อ๋อไอ้ที่อยากรู้อาจจะรู้จุดนี้เท่านี้แหละแล้จะต้องอ่านต่อไปอีกเนี่ยนะแค่เราว่าอ่านทั้งเล่มเหมืนกันเถอะจึงจะรู้พวานี้เขาเรียกว่าต้องไขครัวตั้งแต่เริ่ม เชื่อมต่อในพบหนึ่งอ่ะมาอย่างไรที่สุดของพบนั้นเป็นยังไงต้องรู้รายละเอียดพวกนี้นก็ถือว่าปัญญานั้นไม่ได้ละเอียดพอไม่ละเอียดพอที่จะเจาะ อ, อะไรแล้วก็เข้าใจไม่ผิดพลาดเพราะไม่งั้นท่านจะต้องค่อยๆทบทวนก่อนไปยังไงมายังไงเรื่องราวเป็นยังไงไม่ขนาดแม่นยนําถึงขนาดว่าอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอมีองค์ประกอบอย่างไรเข้าใจละเอียดออนขนาดนั้นไม่ใช่วิสัยของพระอัครส า, าวกไม่ใช่วิสัยของ พระปัเจกพระพุทธเจ้าแต่สําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ต้องไปตรวจตราเรื่องจุติเรื่องปฏิสนที่เรื่องอะไรทั้งนั้นพระองค์ประสงค์จะเห็นฐานะใดๆก็เห็นฐานะนั้นๆๆทันทีเอาแค่ความคิดแว๊บหนึ่งตรงนั้นมาก็ได้หมายความว่าดึงจากข้อความจากตรงไหนก็ได้ในสมมุติว่าเสี้ยวชีวิตตั้งแต่อดีตไปเมื่อหลายๆแสนกลับหลายๆล้านกับหลา ย, ๆ, ลาลายๆอสงไข่กับยิบเอาเฉพาะบางเรื่องมาเล่าก็ได้ อย่างเช่นเนี่ยเกี่ยวกับพุทธวงศ์ในเห็นชัดพระองค์หยิบมาเออในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าตันหังทีปังกรเมื่อสียอสงไขยแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าไอระหว่างนั้นนะหนึ่งอสงไขยคืออะไรแล้วหยิบรายละเอียดเมื่ออสงไขยถัดมาที่มีพระพุทธเจ้าโกนธัญญาแล้วก็ถัดมาอีกไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปสนใจที่เหลืออมาถัดเอาในกลับที่มีอสงไขยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสีองค์พระพุทธเจ้ามังคละโสพิตะเป็นต้นแล้วก็ ไม่ต้องไปสนใจอีกแสนอีอกหนึ่งอสงขายแล้วมาล่วงเอาตอนที่พระพุทธเจ้าอนโนมทัศสีเกิดขึ้นแล้วก็ล่วงมาอีกแสนกับเนี่ยนะล่วงมาเมื่อสามหมื่นกับล่วงมาเมื่อหนึ่งหมื่นแปดพันกับล่วงมาเมื่อเก้าสิบสี่กับเก้าสิบสามกับเก้าสิบสองกับเก้าสิบเอ็ดกับหรือล่วงมาแม้กระทั่ง่าเมื่อสามสิบเอ็ดกับที่แล้ว ล่วงมาว่าต้นกลับเนี่ยเรียกว่ายิบเอาเฉพาะบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปไล่ทบทวนตามลําดับทั้งหมดอันนั้นเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น, นะเพราะฉะนั้นเปรียบอุปมาว่าการระลึกชาติได้ของพวกเรียรทีนี่นะมันสว่างเหมือนแสงหิ่งห้อยมันก็พอเห็นอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็เหมือนใช้แสงหิ่งห้อย นะพูดไปแล้วยิ้มเลยนะขำเลยโอ้ยแสงหิงห้อยพวกเราบอดสนิทนะหิ่งห้อยกับบอดสนิทเนี่ยไหนดีกันอพูดเหมือนว่าโอ้ยแหมนะทำไมสว่างน้อยจังเลยอะไรเงี้ยนะที่ไหนได้เราบอดสนิทเหกันเลยเลือกอะไรก็ไม่ได้นะเมื่อสามปีที่แล้วเวลาเดียวกันนี่เราทําอะไรที่ไหนเอ็มคิดยากกันนะนะ แล่วเมื่อสิบปีที่แล้ววันเวลาเดียวกันเนี่ยทาอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่อย่างไรโหนี่เรื่องมันยาวเลยนะต้องไปเปิดปฏิทินดูต้องไปลําดับเหตุการณ์อเรื่องยาวเลยแหละนะใช้เวลาให้ทบทวนสามวันไม่รู้จะนึกออกหรือเปล่าไม่ทราบต้องให้แผนกสอบสวนเขามาค่อยถามให้นะถ้าแผานกสอบสวนนะวิธีเขามีมีสีให้ระลึกนั่นบอกผมจําไม่ได้เอาไม่ได้เป็นไรเขค่อยตอบตามคําถามที่ถามกันแล้วกัน เขาจะาค่อยๆฟอกคำถามถามถามไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวพวกนั้นมันก็จำได้หมดละเขามีวิธีถามเหมาือนถามให้ระลึกได้อันพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาอข้าไปพวกเดรธีนเนี่ยระลึกได้เหมือนกระแสงหงห้อยส่วนของภาษาวกทั้งหลายเช่นกับแสงประทีปเหมือนคนถือคบเพลิงอะนะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาจะเดินไปดูอะไรก็เปิดส่องคบเพลิงไปใช้คบเพลิงใช้ประทีป สำหรับพระอัคารส า, าวกเช่นกับดาวประกายพลึกคือดาวที่มันสว่างมากมันะส่วนสําหรับพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายการระลึกชาติได้ของท่านเนี่ยชัดเจนเหมือนกับแสงแห่งพระจันทร์แต่สําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายการระลึกชาติของพระองค์เช่นกับสุริยมนทนพันดวงดวงอาทิตย์ท้ขึ้นพร้อมกันส่องสว่างพันดวงพร้อมกันเลยเนี่ยจะสว่างขนาดไหนฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ ฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นการระลึกชาติไม่มีการกําหนดว่าร้อยชาติพันชาติแสนชาติร้อยกับพันกับแสนกับหรือหนึ่งอสงไขสิบร้อยพ0 0ห0ื่นล้านอสงไขส์ะนะพงระลึกได้หมดเลยและการระลึกของพระพุทธเจ้านั้นะนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไม่มีการผิดพลาดไม่มีการผิดพลาดแม้เพียงเท่าปลายขนทรายฉนั้นพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยนะสีปีบอกว่าพุทธิสุวันก่อนเราบอกผิดไป พลาดไปนิดหนึ่งเราไม่มีนะสำหรับของพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่นิดเดียวความผิดพลาดแม้ปลายขนทรายไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าและไม่ขัดข้องไม่มีติดขัดด้วยเนี่ยนะหมายคําว่าไม่มีสะเทือนบอกโอยเนี่ยภาวะกดดันพระองค์ป่วยแล้ลิกไม่ได้หรอกลืมไปหมดแล้วตอนนี้ไข้ขึ้นตอนนี้อาพาธอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่ติดไม่ขัดอันนั้นเรียกว่า อนนาวารณายา น, นทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจะไม่มีติดขัดทั้งหมดอันนั้นเป็นอนนาวารณายานเป็นความสามารถเฉพาะพระพุทธเจ้านะทุกอย่างประสงค์จะรู้อะไรรู้ได้โดยที่ไม่ติดขัดพันพระองค์จะประสงค์จะรู้ทุกการู้โดยไม่ติดขัดประสงค์จะรู้สมุทยัยนิโรธมรรตไม่มีติดขัดประสงค์จะรู้อัตถธรรมนิรุติปฏิพานปฏิสัมพิทาก็ไม่ติดขัดประสงค์จะรู้อาสาธ ร, รณายานทั้งหกก็ไม่ เด็กขัดเนี่ยนะประสงค์จะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาวัชนะแล้วก็ถูกต้องแม่นยําไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์เพราะฉะนั้นการระลึกชาติของพระองค์นั้นน่ะนะสุดแท้แต่ความนึกคิดประสงค์จะรู้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างทุกความคิดของพระพุทธเจ้าถูกกากับด้วยปัญญาถูกกํากับด้วยสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นตัวควบคุมทั้งหมดควบคุมระบบ ความคิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งวจีกรรมคําที่พระพุทธเจ้าพูดก็ถูกควบคุมด้วยสัพพัญยุตยานนะถูกกาหนดด้วยสัพพัญยุตยานแม้กระทั่งกายกรรมการขยับตัวทุกอย่างของพระพุทธเจ้าถูกกาหนดด้วยสัพพัญยุตยานกายกรรมทั้งหมดคล้อยตามพระยานวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดคล้อยตามพระยานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าเพราะ อนุภาพของอาวัชนะของพระ อ, องค์นั้นไม่ธรรมดาอาวัชนะของพระพุทธเจ้านั้นเช่นกับสบพันยุตยานนะสพันยุตยา น, นี่เกิดที่ชาวนะอาวัชนะเนนนำหน้าสพันยุตยานเพราะฉะนั้นสุดแทแต่ว่าพระองค์จะไตรตรองไตรตรองที่จะเห็นอะไรที่จะพิจารณาอะไรเพราะแค่อาวัชนะปั๊บเนี่ยนะชาวนะก็รู้เลยว่าเรื่องนั้ น, นคืออะไรนะแค่นึกถึงปั๊บ ชาวนะคือความคิดนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีพลาดเพราะฉะนั้นพระอริยาสาวกสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าไม้แก่นจริงๆบอกว่ า, วาถ้าคนที่ส่อแสวงหาไม้แก่นทําไมมหากิามหาหาที่กิ่งที่ใบคือคือแต่ละท่านให้ค่าตัวเองเท่ากับกิ่งกับใบเท่านั้นเองกิ่งเล็กกิ่งน้อยใบเท่านั้นแหละ ไม้แก่นต้องไปหาที่พระพุทธเจ้าทุกอย่างอยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ให้เอาความสมบูรณ์ทุกอย่างจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงมีปุเพนิวาสานสุสติยานการระลึกชาติเล่นไปในอดีตได้ไม่ติดไม่ขัดดุดลูกสอนเหล็ก น, นะลูกสอนที่ทำด้วยเหล็กเนี่ยนะเหล็กกลมๆแล้วก็คิดง่ายสมัยนี้เขาใช้ ค, คว่าลูกปืนเนี่ยนะ เล่นไปได้อย่างฉับพลันในกองใบไม้ที่ผุดุดอะไรดุดอินทวัชระอาวุธเพชรของพระอินเนี่ยนะอาวุธประดุดเพชรของพระอินเนี่ยซัดไปบนยอดเขาสิเนรุเพราะาทะลุทำลายแตกกระจายได้หมดเลยไม่มีติดไม่มีขัดประดุดอะไรก็บอกว่าดุดลูกปืนนั่นแหละนะเล่นไปได้อย่างไม่ติดเล่นไปได้อย่างไม่คล้องไม่ขัดนั่นเองอันนั้นเป็นเป็นวิสัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติได้นะตัวอีกครั้งว่าการระลึกชาตินั้นมีอยู่ผู้ที่ระลึกชาติไอ้พวกที่จําชาติกําเนิดได้ระลึกได้แค่ชาติสองชาติพวกนี้ไม่พูดถึงพวกที่ระลึกได้ในขอบเขตระลึกได้40กับคือกลุ่มเดรัจฉีไม่เกินเนี้ยสองกลุ่มพระสาวกทั้งหลายระลึกได้ประมาณไม่เกินแสนชาติอันนี้โดยมากนะแต่หลายท่านระลึกได้เป็นอาสงไขย เช่นพระผากุลเนี่ยเราเลึกได้เป็นอาสงไข